193. ปฏิบัติปัจจุบันดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าจริงกว่าถ้าคุณไม่เคยเป็นอาริยะบุคคลมาแต่ชาติก่อนต่อให้คุณหลับตาระลึกให้ตายก็คุณไม่มีธรรมะนั้นเลยอะไรจะมาเกิดให้คุณจะมีก็ระลึกตรึกตากเกียว เ, เองหรือคนคิดวิมังเสีย เ, เอง อันเป็นความคิดเพ้อเพขึ้นมาใหม่ของคุณเองทั้งนั้นเท่านั้นแหละนี่ใช่สัจจะกจึงเป็นการหลงปฏิบัติการเพ้อเพอฝันฝันไปด้วยมิจฉาทิฏฐิกันทั้งอนาคต44และหวังในอดีตที่ตนเองยังไม่เคยสั่งสมของตนมาไม่ต้องไปงมเอาจากอดีตทำปัจจุบันนี้แหละ ถ้าดีดคุณเคยมีมาก่อนปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็ยิ่งดีเพราะมีเหตุปัจจัยครบกว่ามันจะกระทุง้งกระแทกเอาความจริงของคุณที่มีมาเก่าก่อนนั่ น, น, นแหละออกมาได้ดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าจริงกว่าดังนั้นแม้ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันแท้ๆก็ต้องสามมาทิถีให้ได้ก็แล้วกัน ยิ่งจะปฏิบัติเป็นสัมมาผลได้ดีถูกต้องเร็วง่ายจริงนิพพานจึงเกิดในขณะกาลปัจจุบันเท่านั้นทิฏฐิที่ยังไม่สัมมาทั้ง62ประเด็นนั้นจึงคือมิจฉาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทิฏฐิ62นั่นเองพระไตรปิฎกเล่ม9ตั้งแต่ข้อ26เป็นต้นไปถึงข้อ90 ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้เลยว่าจงปฏิบัติการหรือประพฤติตนทำกรรมเพื่อให้เกิดธรรมะขึ้นในจิตวิญญาณที่ไม่มีร่างกายสริระก็ดีไม่มีกายองค์ประชุมของรูปกับนามที่มีทั้งสัมผัสภายนอกและภายในครบรูป28่ซึ่งมีทั้งมหาภูตรูปสี่และ อุ ป, ปาทายรูป24ก็ดีและหรือในภาวะที่นอกไปจากปัจจุบันก็ตามเพราะคืนปฏิบัติในสภาพดังกล่าว น, นั้นมันไม่มีตัวตนอัตตาในบัดนี้และไม่รู้อยู่ที่ไหนที่จะให้เราจับมากําจัดมันได้เลยอ่านจากเนื้อความในมหานิทานสูตรที่อาตมาเอามาลงให้อ่านกันทั้งสูตรกันดูดีๆ และจะให้ดีไปอ่านพรหมมชาละสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9้าคือพระสูตรเล่มหนึ่งนั้นให้ดีๆและเริ่มเล่มอื่นๆ อ, อีก